ากกราบบูชาพระรัตนตรัยก็กราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลวงพุ้เทียนหลวงพ่อคำเขียนาก็กราบคารวะหลวงพ่อกมพระอาจารย์ทรงศินพระอาจารย์ตุม้มแล้วก็กราบน้ำสกาน <c oughs> พระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิก แล้วก็ขอเจริญพรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโตแห่งนี้ <c oughs> าการมาวัดป่าสุกโตเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรนอกจากเราจะมาเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องตัวเราเองซึ่ง การเรียนรู้ชีวิตของเรานั้นถือว่าเป็นการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์กับตัวเราเป็นการศึกษาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้รับถ่ายทอดจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วแล้วสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน การศึกษาเรื่องชีวิตจิตใจของเรานั้นถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะพ้นทุก์ได้ซึ่งคนในยุคปัจจุบันน้อยคนมากที่จะเชื่อเรื่องพวกนี้เพราะส่วนใหญ่เราก็มุ่งหมายที่จะให้มีความเจริญก้าวหน้ามีความอุดมสมบูรณ์หรือความมั่งคั่งในด้านวัตถุเงินทอง เพราะความเชื่อว่าวัตถุเงินทองนั้นจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าเราติดตามข่าวสารต่างๆเราก็จะทราบดีว่าการามั่งคั่งหรืออุดมสมบูรณ์ด้วยวัตถุเงินทองนั้นเป็นเพียงส่วนประกอบอันหนึ่งที่ทำให้เราได้รับความสดกสบาย ในการใช้ชีวิตอยู่แต่มันไม่สามารถที่จะบําบัดทุกขนะ์ที่เกิดขึ้นในจิตใ จ, ใจได้เราเห็นได้ว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นประเทศในอเมริกาในยุโรปหรือแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีความเจริญมั่งคัง่งนะทางด้านวัตถนะุเราก็พบว่าคนในประเทศนั้นๆนะก็ยังมีความทุกข์ นะอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นนะท่านพระจานยุกิเคยเล่าให้ฟังนะว่ามีการฆ่าตัวตายถึงปีละประมาณสา0ห0ืนกว่าคนอันนี้คือสำเร็จนะที่ไม่สำเร็จอีกตั้งเท่าไหรนะ่ตรงนี้มันก็เป็นเครื่องสะท้อนให้เราเห็นแล้วว่าการที่เรามีความอุดมสมบูรณ์หรือมีความมั่งคั่งในด้านวัตถุนั้นไม่สามารถที่จะทาให้ชีวิตของเรานั้น มีความสมบูรณ์ได้นะเพราะว่าเราไปให้ความสาคัญกับเรื่องวัตถุเราหลงลืมไปว่าชีวิตของเรานั้นมีทั้งกายมีทั้งใจเราไปให้ความสาคัญกับกายแต่เพียงอย่างเดียวมันก็ได้รับความสะดวกสบายแต่เมื่อใดก็ตามที่จิตใจเราทุกนะเราก็ไปแก้ปัญหาโดยใช่วัตถุนะเช่นการไปดูหนังฟังเพลงการ พูดคุยกับเพื่อนฝูงการสรังสรรค์นะซึ่งสิ hm ่งเหล่านี Angie ้มันก็ทำให้เราหลงลืมความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้เป็นเป็นบางครั้งบางคณะนะหรือถ้าเรียกง่ายๆเขาเกิดการกบเกลื่อนนะกบเกลื่อนความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเรากบเกลื่อนเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าสังคมปัจจุบันนี้เนี่ยคนค่อนข้างจะสับสนแล้วก็แก้ปัญหากันไม่ค่อยตรงจุดนักเรามีความทุกข์ทางใจแต่เราไปวัตถุมาแก้น่ามันแก้ไม่ได้นะตรงนี้เราขาดสติปัญญ า, าที่จะมาแก้ไขความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราด้วยเหตุนี้เองความรู้ในพระพุทธศาสนาซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ค้นพบนะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วเนี่ยจริงๆสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เป็นคนสามัญนะก็มีความทุกข์เหมือนพวกเราทุกคนนี่แหละนะมีความทุกข์เหมือนกับพวกเราแล้วก็หาทางออกจากทุกข์เหมือนกับพวกเราแต่ท่านมีความรู้มีความสามารถมีความเพีเพยรพยายามนะจนได้เข้าใจ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วท่านก็หันกลับมาเรียนรู้ทุกข์ในะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจค้นหาว่ามันเกิดจากอะไรนะแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะซึ่งก็ค้นพบนะเมื่อประมาณ 2,600 ปีที่แล้วแล้วก็ได้สั่งสอนอบรมถ่ายทอดมาจนถึงปัจจุบันโดยผ่านครูบาอาจารยนะ์โดยผ่านพระภิกษนะุต่างๆที่ ได้สืบทอดมานะตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นความรู้อันนี้ยังไม่หายไปไหนจากโลกเพียงแต่ว่าในบางยุคบางสมัยนะก็อาจจะไม่มีผู้รู้หรือผู้ที่เข้าใจนะก็อาจจะหลงลืมไปประกอบกับอาจจะมีความเข้าใจผิดนะในในเรื่องเหล่านี้ก็ทํทำให้เราไปหลงเชื่อ งมงายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสยศาสตรนะ์ซึ่งก็ต้องยอมรับละ่ะว่าในยุค ป, ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็ปกคลุมในสังคมไทยในสังคมพุทธของเราอยู่มากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องอาศัยการที่เราสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติมีความรู้เอามาถ่ายทอดนะแล้วก็ เราลงมือปฏิบัติจริงๆนะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นจริงขนาดไหนตัวกระผมเรียตมาเองก็ได้สแสวงหาในสิ่งเหล่านี้มานะแล้วก็ได้เรียนรู้ได้ทดลองนะด้วยวิธีการต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติ ด, ด้วยอนาพนาสตินะคือลมหายใจนะก็ได้ในส่วนหนึ่งนะเมื่อได้มาเรียนรู้นะกับ หลวงพ่อเทียนนะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนะก็ได้พบว่าวิธีการเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวนะที่ท่านได้แนะนำสั่งสอนอบรมชี้แนะเหล่านั้นเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนในยุคปัจจุบันนะที่ต้องเคลื่อนไหวนะต้องทำกิจวัตรประจำวันนะเราอาจจะมีเวลาน้อยในการที่เราจะมานั่งหลับตา นะหรือในการบริกรรมต่างๆนะเราต้องเคลื่อนไหวเราต้องทำการทำงานนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับคนยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากการเจริญเสดิด้วยการเคลื่อนไหวนะอย่างที่เราได้มาเรียนรู้กันที่วัดป่าสกตโตนี้นะก็เป็นวิธีการที่อาศัยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเป็นเครื่องหมายนะหรือเรียกว่าเป็นเป็นอารมณ์ในการที่เราจะ มาเรียนรู้ตัวชีวิตจิตใจของเราตัวชีวิตจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นนะเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นพลังเป็นพลังงานชนิดหนึ่งนะที่เราไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตานะด้วยตาเนื้อแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะมองเห็นได้ก็คือตัวความรู้สึกตัวหรือตัวสตนะิซึ่งมันมีอยู่แล้วนะเราเรียกว่าเป็นตาในนะที่ทุกคนมีอยู่ สติสามัญที่เรามีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เราใช้ในการทำงานในกิจวัตรประจำวันเราทำอะไรต่างๆเราก็ทำด้วยความรู้ตัวนะเพียงแต่ว่าความรู้ตัวหรือความรู้สึกตัวที่มีอยู่นั้นมันยังไม่ทันนะกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะซึ่งเป็นสิ่งที่มีพลังและก็มีความไวมากด้วยนี้เอง เราจึงจำเป็นที่จะต้องมาปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมานะหรือบางทีเราเรียกว่าการพัฒนาบ้างการภาวนาบ้างนะคำว่าภาวนาก็ตรงกับคำว่าพัฒนาในภาษาสมัยใหม่การพัฒนาความรู้สึกตัวหรือการภาวนานั้น้ดวยวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยเราอาศัยการเคลื่อนไหวจากกาย กายที่หยับๆยาบนีนะ้การการเจตนาสร้างความรู้สึกตัวจริงๆไม่ได้สร้างหรอกนะเพียงจะเป็นการปลุกนะเป็นการปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วนะะั่นแหะให้มันตื่นขึ้นให้มันฉับไวขึ้นให้มันทันกับอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเนี่ยก็เป็นพลังงานอีกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นภายในตัวเรา แล้วก็มีอิทธิพลที่จะสั่งให้เราทำนั่นทำนี่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะเราก็จะทำไปตามความเคยชินสิ่งใดก็ตามเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเออทำให้เราพอใจทำให้เราเออสุขสบายนะเราก็จะทำไปตามนั้นหรือเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่สบายเราก็ไปจะเลีกหนีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเราก็เลือกได้บางครั้งเราก็เลือกไม่ได้ นะอย่างเช่นการที่เรามานั่งอยู่ในที่นีนะ้เรานั่งนานๆเราก็มีอาการเจ็บอาการปวดอาการเมื่อยนะถ้าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็ลุกหนีไปแล้วนะเราก็ไปแล้วนะเราก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องความความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากกายของเรานะที่เรียกว่าเป็ น, ปนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากร่างกายนะตรงนี้เราก็ไม่ได้เรียนรู้แล้วเราก็ไม่ได้เห็นนะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่เมื่อเรามานั่งอยู่ที่นี้นะเราเห็นความเจ็บความปวดความเมื่อยนะแล้วเราก็ยกม้ายกมือเรามีความรู้สึกตัวเรารู้ชัดนะคนที่ฝึกมา4วันก็ดี5วันก็ดีเมื่อสามารถที่จะรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอิสระความเจ็บปวดนั้นได้คือความเจ็บความปวดนั้นยังมีอยู่แต่ใจเราไม่กระวนกระวาย ใจเราไม่ดิ้นทุรนทุรายกับความเจ็บความปวดนั้นเรารู้มันอยู่และเราก็ไม่ได้จมไปอยู่ในอาการของกายที่มันทุกข์นะเราอยู่ด้วยความรู้สึกตัวของเราตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องชีวิตจิตใจเนี่ยเราอาศัยความรู้สึกตัวนที่เราทำกันเนี่ยที่เราพัฒนากันขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นตาใน นเป็นนักศึกษาที่จะเรียนรู้นะปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจหลวงพ่อกำเขียนได้พูดไว้ชัดเจนว่าให้เราเอาสติเป็นนักศึกษาเอากายเอาใจเนี่ยเป็นตำรานะเป็นตำราเล่มใหญนะ่ที่จะแสดงให้เรารู้และทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาซึ่งปัญญาที่เกิดนี้เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการที่เรารู้เท่าทัน รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นข้างนอกนะเราก็จะวางใจได้ในความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะโดยอาศัยความรู้สึกตัวนี้เองการการมาเจริญสติหรือการมาทำความรู้สึกตัวนี้นะเริ่มจากขั้นต้นง่ายๆก็คือการมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวก่อนนะ คำศัพท์ทางพระก็เรียกว่ากายานุปัสนาสติปฐานนะตรงนี้นะเป็นส่วนที่จะทําให้เราเนี่ยเป็นการเรียกนะใจที่มันชอบคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะหรือที่เราชอบเรียกกันว่าพาใจกลับบ้านนั่นเองนะก็คือกลับมาอยู่ที่ตัวเรานะโดยเอากายเป็นฐานนะการเคลื่อนไหวของกาย จากการเคลื่อนไหวของกายหยับๆยนาะจะเป็นการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีเป็นการเดินจงกรมก็ดีทำบ่อยๆทำเรื่อยๆนะมันก็จะเกิดความคุ้นชินหรือเกิดความเคยชินเกิดเป็นนิสัยขึ้นมาที่จะรู้สึกตัวเป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัวเมื่อเรามีความเคยชินมีความรู้สึกตัวอย่างนี้ได้บ่อยๆนะมันก็จะเข้าไปเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ ที่ละเอียดเข้าไปนะไม่ว่าจะเป็นการกระพริบตาการกืนน้ําลายนะหรือแม้แต่การหายใจนะตรงนี้มันก็จะละเอียดอ่อนเข้าไปเราก็จะรู้เท่าทันมันอากาศที่เย็นมาสัมผัสกับผิวกายนะแต่ก่อนเราอาจจะไม่เคยได้สนใจสิ่งเหล่านี้นะเราเพียงเราคิดไปเรื่องนู้นเราคิดไปเรื่องนี้เราไม่ได้กลับมารู้สึกในสิ่งที่มันมาสัมผัส กับผิวหนังนะความเจ็บความปวดความเมื่อยนะเราไม่เคยได้สนใจมันว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะเราไปสนใจกับโลกภายนอกซนะเป็นส่วนใหญ่นั่นเป็นชีวิตโดยส่วนใหญ่ที่เราเป็นและเมื่อเราได้รู้เท่าทันนะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากภายในกายเราแล้วเนี่ยนะเมื่อเราทําบ่อยๆทําเรื่อยๆทําให้มันเกิดความเคยชิน ในความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะไปสังเกตเห็นแล้วว่าเมื่อเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเรามีความพอใจหรือไม่พอใจเรามีความสุขหรือมีความทุกข์นะหรือใจเราเป็นปกตินะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นนะได้ชัดเจนขึ้นนะภาษาทางทางศัพท์ก็เรียกว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานนะคว่าเวทนาเนี่ยนะคนไทยส่วนใหญ่เราไปเข้าใจว่า น่าสงสารแต่คำจริงๆมันของมันก็คือความรู้สึกนะภาษาอังกฤษใช้คําว่า feeling นะอันนี้ก็คือความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกที่หลากหลายนะที่จะแสดงที่จะปรากฏออกมาบางอย่างก็เป็นที่พอใจบ้างบางอย่างก็ไม่พอใจบ้างบางอย่างก็เฉยๆปกตินะแต่ก่อนเราไม่เคยได้มาฝึกเนี่ยอันไหนที่เราไม่พอใจเราก็ผลักออกไป อันไหนที่เราพอใจเราก็ดึงเข้ามาบางครั้งมันก็ผักได้บางครั้งมันก็ดึงเข้ามาได้แต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการาเราก็เกิดความทุกข์ขึ้นม า, นาเราก็จมอยู่ในความสุขความทุกข์นั้ น, นเกิดเป็นภพชาติต่างๆเกิดขึ้นภายในใจิตใจของเราตรงนี้นี่เองเมื่อเราทําไปบ่อยๆทําไปเรื่อยๆทําให้เกิดความเคยชิ น, นที่จะมีความรู้สึกตัวเนี่ย ้รานะก็จะไปเห็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนสิ่งที่ไม่มีตัวตนนะก็คือความคิดนะความคิดนี่เป็นเจ้าบงการเป็นผู้ที่สร้างสิ่งต่างในตัวเราหรือแม้แต่โลกภายนอกนะส่วนใหญ่ความคิดเนี่ยนะจะเป็นความคิดที่เราไม่เจตนานะเป็นความคิดที่เป็นความเคยชินที่เราคิดนั่นคิดนี่คิดจุคิดจิกวิตกกังวลหรือว่า ภาวะผวองนะหรือบางทีก็ อ, ไ อ, อนะไรอววรกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือบางทีก็กังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะะเพราฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะจิตใจของเราเนี่ยมันก็ระหกระเหินนะเดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวไปที่นี่ไม่ได้อยู่กับเนื้กับตัวไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้อยู่กับความเป็นปกติของใจนะ่ซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงนะที่เป็นที่พึ่งของเราตรงนี้นี่เอง ถ้าเราพัฒนาความรู้สึกตัวหรือกลับมารู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆให้ได้เรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นเรียกว่าความคิดที่ปรุงแต่งนะที่สร้างเรื่องสร้างราวต่างๆนะเราก็จะถอนตัวออกมานะจากสิ่งเหล่านี้แล้วคืนมาสู่ความเป็นปกติของใจนะซึ่งเขามีอยู่แล้วเขาเป็นอยู่แล้วนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญ ตรงนี้นี่ภาษาภาษาพระเรียกว่าจิ ต, ตานุปัสสนาสติปาฐา น, นซึ่งเป็นส่วนที่สามที่เป็นส่วนที่ละเอียดการที่จัดแบ่งเป็นลำดับชั้นอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าของที่ละเอียดนั้นก็จะอยู่ อ, อ, อยู่ในขั้นลึกเข้าไปซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้สึกตัวที่เราพัฒนานี้เองเมื่อเราเห็นสิ่งต่างเหล่านี้แล้วบางอย่างเราก็คิดดีบางอย่างเาคิดไม่ดีก็เรียกว่า กุศลธรรมบ้างอากุศลธรรมบ้างอย่างขณะที่เรานั่งอยู่ขณะนี้นะถ้าบางคนนะรู้สับรู้สึกง่วงหลับง่วงนอนนะมันเข้ามาครอบงำอาจจะฟังเสียงไม่ชัดนะอาจจะเอ่อมีอาการหนักหนักนุงนวลนะตรงนี้นะเราก็พยายามนะเอ่อกระตุ้นตัวเองให้ตื่นขึ้นนะอย่านั่งเฉยเฉยนะก็นั่งสร้างจังหวะกระตุ้นตัวเองให้เกิดขึ้น นะให้ตื่นขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนไดนะ้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็เป็นส่วนที่4นะที่เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพนะราะฉะนั้นพระเจองค์ได้ค้นพบนะวิธีการเหล่านี้แล้วก็ได้เผยแพร่มาจนถึงปัจจุบันนะซึ่งอันนี้ละ่ะเป็นใบไม้กามือเดียวนะที่พระเจ้าเจ้าได้ไดกล่าวเอาไว้ นะความรู้ของท่านได้มีมากมายนะแต่สิ่งที่จะเอามาใช้ได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเป็นเครื่องมือสำคัญนะเป็นบทหรือเป็นแบบเรียนนะที่สำคัญที่เราสามารถจะามาใช้ไดนะ้เมื่อเราเจริญสติสติสติปฐาน4ได้ต่อเนื่องนะเป็นลูกโซนะ่คำว่าลูกโซ่ก็คือไม่เผลอนะไม่เผลอมีความรู้สึกตัวอยู่บ่อย นะเรื่อยๆนะตรงนี้ก็จะทำให้เราปล่อยวางนะหรือว่าถอนจากความทุกข์ความหนักอกหนักใจที่เกิดขึ้นนะที่เราคุ้นชินแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกอย่างไรมันจะมีทางออกอย่างไรนะตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถออกจากความทุกข์ตรงนี้ได้สิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำได้จริงๆแล้วก็ทำได้ทุกคนไม่ได้จากัดว่าจะต้องเป็นพระไม่จาเป็น ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักบวชแต่คนทุกคนเนี่ยที่มีความทุกข์แล้วอยากจะหาทางออกแล้วก็มาเรียนรู้เรื่องโลานี้้วก็สามารถที่จะออกได้พระุทธองค์นั้นได้ค้นพบวิธีนี้แล้วก็ได้เผยแพร่และท่านก็นยังบอกว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าใจได้นะเป็นสิ่งที่ถ้าเราทำถูกต้องทำให้มันด้วยความต่อเนื่องนะเป็นลุกโซ่เนี่ย ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงนะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารยนะ์ได้พิสูจน์มาด้วยตัวของท่านเองแล้วก็นํามาถ่ายทอดนะมีแต่ตัวเราเท่านั้นแหละที่จะต้องมาพิสูจนะ์ความศรัทธาถ้าเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่ น, นมันจะต้องเกิดจากการประพฤติปฏิบัติและพิสูจน์ลงไปแล้วมันก็เกิดผลเมื่อเกิดผลนี่เราก็จะมีความศรัทธาที่ตั้งมั่นนะตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญ นะซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเป็นปกตินะจริงจริงชีวิตนั้นโดยธรรมชาติมันเป็นปกตินะแต่ที่เราไม่ปกติเพราะเราเผลอเราไม่รู้เราก็ไปคุ้นชินกับความสุขความทุกขนะ์ความพอใจไม่พอใจตั้งแต่เล็กนะจนถึงปัจจุบันเราไม่รู้เท่าทันมันเพราะฉะนั้นการที่เรามาที่วัดป่าสุกโตนะจะเป็น3วันกดี7วันคดี เรามาทำภารกิจอันนีนะ้ถือว่าเป็นภารกิจหรือเป็นงานชิ้นเอกนะที่เราน่าจะมอบให้กับชีวิตของเรานะที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะไม่ยากเกินสติปัญญาที่เรามีอยู่คนที่ปฏิเสธที่จะทำเรื่องนี้แสดงว่ า, า, าดูถูกตัวเอง หรือไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นศักยภาพของตัวเองที่สามารถจะทำได้พระทตมก็พูดไว้ชัดนะมนุษย์นั้นประเสริฐได้ด้วยการฝึกนะไม่ใช่ประเสริฐเพราะว่าเป็นมนุษย์เป็นคนต้องฝึกนะฝึกแล้วก็เกิดผลนะขึ้นมานะตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้แต่แน่นอนละนะในการฝึกนั้นนะมันก็ไม่ใช่ว่าเออเป็นการเดินทางด้วย ด้วยทางที่ราบเรียบนักนะมันก็มีอุปสรรคขวางกัน้นะคนที่ฝึกใ ห, ใหม่เนี่ยนะมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าขวางกัน้นะก็เรียกว่านิวรณธรรมนะความง่วงหนาวเหานอนนะความรู้สึกไม่สะดวกสบายนะในการมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะก็เกิดความอึดอัดขัดเคืองขึ้นมานะหรือความคิดฟุ้งซ่านขึ้นมาสิ่งต่างๆเหล่านีนะ้บางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นอุปสนะรรคจจริงเนี่ย เขามาให้เราเรียนรู้นะเขามาทดสอบกำลังของเราว่าเข้มแข็ ง, ขงหรืออ่อนแอแค่ไหนถ้าเราอ่อนแอเราก็สยบยอมกับเขาเช่นความง่วงพอเขาง่วงมาเราก็จะหลับไปเลยแต่คนที่ไม่ยอมสยบยอมนั้นก็จะต้องหาวิธีการแก้นะอย่างเช่นทำให้เร็วขึ้นทำให้แรงขึ้นนะหรือมองไปไกลๆนะหาวิธีการแก่นะปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมา หรือคนที่มีความคิดฟุ้งซ่านนะก็อย่าไปตามความคิดกลับมาที่ความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้ตรงไปตรงมานะไม่ต้องไปนึกไปคิดนะเมื่อวานมีบางคนถามว่าอาจารย์ความรู้สึกตัวนี่เราต้องนึกว่าเวลาเราเดินแล้วเรานึกว่าเรารู้สึกตัวใช่ไหมบอกโอ้นี่ไม่ใช่อันนี้ไปคิดส้อนคิดขึ้นมาอีกความรู้สึกตัวก็สัมผัสตรงไปตรงมาเมื่อ เท้าเราสัมผัสกับพื้นหรือเมือม่อมือเราเคลื่อนเอาไว้ก็รู้สึกตรงไปตรงมาไม่ต้องไปผ่านความคิดนะหลวงพ่อกำเียดก็พูดไว้ชัดนะว่าการเรียนรู้เรื่องพวกนี้มันไม่ต้องใช้สมองเลยนะมันใช้ธรรมชาติของความรู้สึกตัวเนี่ยตรงไปตรงมาแต่พวกเราส่วนใหญ่เราเรียนมาโดยผ่านระบบความคิดหาเหตุหาผลต่างๆนานาความเคยชินตรงนี้นะมันเป็นความเคยชินที่ทาให้เราเนี่ย รู้สึกยุ่งยากในในการมาปฏิบัติธรรมนะฟังหลวงพ่อฟังครูบาอาจารย์พูดเอ๊ะมันก็ฟังดูง่ายๆนะแต่ถ้าไม่ทำมันทำยากนะเอฏผลที่ทำยากก็เราเราคุ้นชินเราพยายามจะแก้ปัญหาโดยใช้ความคิดนะคิดนู้นคิดนี้หายเหตุหาผลเพราะนั้นการฝึกกนันนี้นะกลับมารู้สึกตัวนะมันคิดอะไรก็กลับมารู้สึกตัวนะคิดดีคิดไม่ดีก็กลับมารู้สึกตัว นะใช้ความรู้สึกตัวนี้เป็นตัวนำนะเป็นตัวส่งทางไปเรียนรู้ไปเป็นนักศึกษาไปผิดบ้างถูกบ้างรู้บ้างเผลอบ้างถือเป็นประสบการณ์อย่าไปจะต้องรู้ตลอดนะบางคนไปตั้งใจจะรู้ตลอดมันจะเครียดเกินไปมันจะเพ่งจ้องเกินไปมันจะอึดอัดบางคนอึดอัดมากๆก็ถึงกับอ้วกขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นที่จะให้เรานั้นปรับสมดุล นะในส่วนของกายในส่วนของใจนะคนที่ฝึกมาวันนี้5วันแล้ว6วันแล้วน่าจะปรับตัวได้ดีแตนะ่คนที่เพิ่งมาเนี่ยนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เพิ่งมาเนี่ยวันนี้วันที่สองเนี่ยก็น่าดูละนะลองพิสูจน์กันดูเพราะฉะ น, นั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นประสบาการณนะ์จะผิดจะถูกนะถือว่าความผิดความถูกนั้นเป็นครนะูที่จะสอนเรา รครูบาอาจารย์ข้างนอกเนี่ยท่านก็ได้แต่ชี้แนะแนะ น, ะนะนะนาวิธีการแตนะ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นครูที่แท้จริงคือยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยนะคือความผิดความถูกนะเมื่อเราผิดเราก็ทำให้มันถูกนะตรงนี้เป็นส่วนที่จะทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องนี่เองนะจะทำให้เรามีชีวิตที่เป็นปกตินะสติ ป, ปัญญาต่างๆมันจะมามันจะมาช่วย มีบางคนเมื่อวานถามว่าเอ๊ถ้าเราไม่คิดอะไรแล้วเราจะไปทำงานอย่างไรนะนี่ไปกังวลถึงอนาคตแล้วนะก็ยังไม่ต้องไปกังวลคือเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยความคิดที่จะทำงานเนี่ยมันจะปลอดโปร่งนะสติปัญญาที่ทำงานจะปลอดโปร่งแล้วก็จะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะแล้วเมื่อจบมันก็จบนะมันไม่ต้องไปคิด ต่อเนื่องภาวะพระวง์อะไรนะมันก็จะเป็นชีวิตที่เบาสบายทำงานสำเร็จนะเรียกว่ามีชีวิตที่ประสบความสำเร็จทั้งในส่วนกายส่วนใจแล้วก็ชีวิตการงานก็ดีนะทำงานก็จะผิดพลาดน้อยลงหรืออาจจะไม่ผิดพลาดเลยนะและความสุขก็จะหาไม่ได้ไม่ไม่ยากอะไรนะความสุขเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเราแล้วนะก็คือความเป็นปกติของเรานั่นเอง คนเรามมีความสุขในส่วนของจิตใจแล้วนะก็จะไม่ไปวิ่งวุ่นนะไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยกับการหาความสุขจากภายนอกนะหรือจะหาก็หาได้บ้างนิดๆหน่นนอยๆเราไม่ต้องไปวิ่งวุ่นนะเหมือนแต่ก่อนหรือเหมือนคนในโลกนะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเพราะการไปแสวงหาความสุขจากภายนอกในปัจจุบันนั้นต้องใช้เงินใช้ทองนะต้องเสียเงินเสียทอง แล้วทำยังไงเราก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองมานะเพื่อที่จะมาตอบสนองตรงนี้เพราะฉะนั้นความสุขตรงนี้ไม่ต้องเสียงเงินเป็นความสุขที่มีอยู่ในตัวเราและเป็นความสุขที่ยั่งยืนด้วยนะไม่ใช่ความสุขแบบที่ได้มาจากภายนอกนะเป็นของชั่วครัง้งชั่วคราวเมื่อเรามีความสุขอย่างนี้แล้วนะเราก็จะเผื่อแผ่ไปให้กับเพื่อนมนุษย์ไปกับคนในครอบครัว ไปกับสัมพัสัตยไปกับเสียงแวดล้อมนะเราก็จะนึกถึงหนี้บุญคุณนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะเราได้อยู่ได้กินได้เติบโตขึ้นมาจนเรามีความรู้มีความเข้าใจมีความสุขนะเราก็จะได้ตอบแทนคุณของโลกนะสร้างสรรค์สังคมนะให้ดีงามนะแล้วก็อยู่เป็นสุขนะซึ่งก็ชอบคําที่หลวงพ่อคำเกี่ยนท่านบอกว่าโลกพระสีอารเนี่ย เราไม่ต้องไปรอยีก 5,000 ปีเรามาทำในยุคปัจจุบันนีนะ้เมื่อทุกคนมีความรู้สึกตัวมีสตนะิก็เหมือนเป็นคนคนเดียวกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำได้นะโดยเริ่มต้นที่ตัวเราเราไม่ต้องไปรอคนอื่นเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าสุกโตแ ย, ย่งนีน้ถือว่าเป็นการมาสร้างสรรค์ชีวิตนะให้กับตัวเราเองแล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ สังคมไปด้วยในตัวเมื่อคนดีสังคมก็ดีโลกก็งดงามนะสภาพแวดล้อมก็ดีขึ้นนะนี่เป็นสิ่งที่เป็นความหวังที่เราน่าจะได้ทํากันให้เกิดมีขึ้นมานะนี่ก็เป็นสิ่งที่นําเสนอนะหรือเล่าสู่กันฟังก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะกับทุกท่านสิ่งใดที่ตัวกระผมได้ทำมาเองได้พูดไปอาจจะมีขัดตกบกพร่องบ้าง ก็ขอหวังว่ า, าหลวงพ่อครูบาอาจารย์จะได้ตักเตือนแนะนำในส่วนที่บกพร่องไปนะแล้วก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจของทุกท่านนะที่มาใช้ประโยชน์จากวัดป่าสุขโตนะเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องชีวิตจิตใจของเราโดยอาศัยความรู้สึกตัว เ, เป็นเครื่องมือขอให้ความเพียรพยายามของทุกท่านนะที่มาใช้ชีวิต ที่นี้นาะให้เกิดผลสำเร็จก็คือได้เรียนรู้เข้าใจชีวิตแล้วก็พาชีวิตนาะที่ระหกเราเหินหรือจิตใจที่ระหกเหลินนั้นกลับมาสู่ความเป็นปกติของใจโดยทั่วหน้าทุกท่านเทิท น, ทท น, ททนจเจริญพร